เจ้าอาวาสที่ท่านบรรยายไว้ในโอกาสต่างๆมานําเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นประจำซึ่งวันนี้ก็จะเป็นธรรมะสบา ย, บายจากพระเด็จพระคุณหลวงพ่อที่ท่านได้บรรยายไว้แก่คณะพระภิกษุงสงฆ์สามเณร ญ, ญ, ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมในโครงการอบรมพระกรรมฐานประจําปีซึ่งทางวัดหลวงพระสดธรรมกายรามนั้นจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละสองรุ่นคือรุ่นที่1ระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมรุ่นกลางปีและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนธันวาคมเป็นประจำและขอเชิญญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านถ้ามีโอกาสก็สามารถที่เข้ามาศึกษาอบรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดและต่อจากนี้ไป ขอเชิญญาติโยมสาธุชนมาสดับรับฟังธรรมะสบายๆจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อมกันณบัดนี้นี่น่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลที่พูดนี้ไม่ได้ไปพูดอย่างอื่นพูดว่าสิ่งที่เราทํานี่เป็นเนื้อเนื้อนาบุญเป็นทั้งเนื้อบุญและก็นาบุญมเมล็ดบุญต้นบุญดอกบุญผลบุญไปอยู่นั้น ให้ทำเป็นทานมันบุญโรูยอดเพราะฉะนั้นพระเราท่านฉลาดใครมีเงินท่านก็บอกพ่อบอกแม่มาทำเปิดหูเปิดตาพ่อแม่มีจิตศรัทธาแต่ก่อนพ่อแม่ก็รากลูกแล้วไม่ให้ไปไหนให้อยู่นี่แหละพอไปเทศเขาทีหนึ่งก็เลยเออเอาอย่างงั้นลูกจะบวชก็ไปตลอดไปก็ไปเถอะนี่ยปล่อยลูกซะแล้วนี่เห็นไเพรเห็นสัจธรรมเพราะตัวเองจะตายแล้วเนี่ย ไปนั่งกอดแต่ลูกบางคนมีผัวกอดผัวไม่ยอมไม่ผัวบวชเนี่เลอะเทอะนี่เพราะอะไรเพราะไปกอดศพกอดลูกกอดหลานบางคนนะ่ะพอบานแม่เรือนนะแม่บ้านจะมาปฏิบัติธรรมไอ้พอบ้านก็ไม่อยากให้มากอดเอาไว้นุ่งนั่งอยู่นั่นแหละหรือไอ้พอบ้านจะมาไอ้แม่บ้านก็ยึดขาเอาไว้ยึดไปทำลิงอะไรศพทางนั้นนะ่ะ เดี๋ยวก็ตายมีท่าอะไรตายวันไหนไม่รู้ไม่รู้แล้วเอาอะไรติดตัวไปมันนั่งกอดกันอยู่นั่นอนะ่ะกอดศพเหม็นจะตายไปเห็นั้มมันเหม็นไม่เชื่อลองดูว่าตื่นเช้ามาเ้วเหม็นหึงเลยปากก็เหม็นอะไรก็มันเหม็นทั้งนันอะ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าไม่รู้สัจธรรมแต่คนรู้แล้วก็เร็วปล่อยปล่อยนี่อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เข้าใจซะเพราะถ้ายึดถ้าติดเนยโยเมยหลงอะไรติดอะไรยึดอะไรก็ไอ้นั่นแหละถ้าหลงรักตัวคนนี่ตายไปที่เป็นงูเหลือมง่ายๆอย่างนี้แหละผู้หญิงคนหนึ่งอะผู้หญิงสามีภรรยาอืมแต่ตอนนี้เป็นเรื่องสามี จำไม่ได้ไปอยู่ในกัมพีไหนหออลงรักหุย้ยรักมากรักมายพอตายไปก็เป็นงูเหลือมเ <c oughs> นั่นแหละเป็นมูเหลือมนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ติดจำไว้นี่คืออุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติชารามรณะทุกอยู่บนคือไอ้ภรรยาก็คงผ่านไปนอีท่าไหนมันหล่นลงมา พันยาไม่เห็นนะตอนแรกอยู่ๆงูเหลือมันหล่นลงมาตกใจเลความความมีแต่ก็ฟันนเลยตายอ้าวเลยกลายเป็นเวรเป็นกรรมหนักกันไปอีกเพราะไอ้คนมันกลัวนี่นะนี่นะไม่รู้ชีวิตของเราไม่รู้ชีวิตของตนมันมีตนที่ไหนมันมีแต่เดี๋ยวมันไม่มีมันไม่รู้ใครเป็นของใครนี่โยมนี่ดีนะพากันมานั่งธรรมานี่ดี ไหนพวกนั่งกอดกันอยู่ทั้งโน้นขออภัยที่พูดกอดเลยไม่ได้ไหมายความว่าเรื่องกอดนะพูดหมายถึงยึดติดความหมายคืออย่างนี้ยึดติดติดลูกติดผัวติดเมียติดล้านติดไม่ได้มาหรอกนั่นแหละไปไหนละ่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัตว์โลกนมนุษย์เนี่ยตายจากความเป็นมนุษย์ที่จะได้มาเป็นมนุษย์อีกน้อยนกักเพราะมันมัวแต่ติดนี่น แต่ถ้าได้มาปฏิบัติมาประพฤติพรหมจรรย์ผู้หญิงนี่ได้มาประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะ่ยบุญมากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้แต่ให้รู้ไว้ว่าปฏิบัติธรรมทำ เ, เพื่อละนะไม่ใช่เพื่อยึด เ, เพื่อละให้เห็นสัจธรรมเสียมันไม่มีอะไรหรอกตัวเองก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนี่ให้เห็นสัจธรรมซะจะได้ละอืมเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพื่อยึดนะเออ พระเจนั้นไอ้นี่ให้เข้าใจพระฉะนั้นจึงมีบุญแต่ผู้หญิงมีบุญได้แค่นี้แหละได้แค่บวชชีบวชชีพราหมณ์บวชเป็นพระภิกษุภิกษุณีไม่ได้ทำไมเพราะในเถราวาดของเราเนี่ยสืบเชื้อสายพระอุปชาไม่มีแล้วขาดตอนทางเถราวาดมีขาดตอนแต่ทางมหายานเขาว่าเขายังมีอยู่เขาก็เลยบวชได้ทางเถราวาดเราขาดตอน เลยว่าบวชไม่ได้เพราะไม่มีอุปชาีนบวชกันมาในอุปชานะ่ะต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่นะเพราะฉะนั้นท่านทำความดีได้อย่างนี้ก่า น, นับว่าดีแล้วแต่ถ้าได้บวชโอโหประสริฐเลยโยหมยผู้ชายนะทีนี้ผู้ชายบวชเออผู้ชายนี่ได้บวชตัวเองเพอได้ตัดสินใจบวชเนี่ยกบสกัปได้แล้วตั้งใจปฏิบัติให้ดีนะเป็นทายาทศาสนา เพราะได้มาปฏิบัตินี่ท่านปฏิบัติถือศีล227นี่แหละตัวจริงละได้ปฏิบัติแล้วนั่นได้64กับพ่อแม่ผู้อนุญาตให้ลูกบวชได้16กับนี้เป็นญาติพระาศาสนายังไม่เรียกว่าทายาิเรียกว่าเป็นญาติพระาศาสนาพระน่ะเป็นทายาทพระภิกษุเนี่ยแต่ว่าโยมที่เป็นพ่อแม่ เป็นศาสนาทายาทเป็นญาติพระศาสนาขอไปนี่ได้16กลับไม่น้อยเลยส่วนว่าถ้าจะมีบุตรภรรยาญ า, าติพี่น้องช่วยกันอนุโมทนาก็ลดหลั่นกันไปตามลำดับนี่อานิสงฆ์นี่มันเกิดแก่ท่านเพราะผู้หญิงตอนนี้ไม่มีโอกาสบวชแล้วต้องอาศัยผานเหลืองคนอื่นเขาแล้ว ต้องอาศัยผ้าเหลืองคนอื่นเขาแล้วเพราะฉะนั้นใครอย่าวหวงลูกอย่าวหวงหลานอย่าวหวงสามีถ้าเขาจะบวชให้เขาบวชไปเลยเพราะเรามันจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้เอาบุญที่ไหนติดตัวไปบุญแค่นี้ไม่พอหรือมันน้อยไปหน่อยอถ้าได้ให้บุตรทำไมบุตรชายนะหลานชายสามีไปบวชได้ประเสริฐประเสริฐถึงมันจะน้ำหูน้ําตาเล็ดเหมือนก็ช่างมันเถอะยังไงมันยังไม่ตายจากกัน มันต้องเล็กบ้างแหละเนะเพราะมันเคยอยู่ด้วยกันมันยังตัดในขาดมันยังเป็นปุถุชนเลยเข้าใจไหมล่ะไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวมันก็อยู่ๆมันก็หายไปเองแหละเนีไม่ต้องไปโศกเศร้าอะไระเพราะยังไงยังไงมันต้องตายจากการแง่ๆเนียถ้ามันซะอย่างนี้ซะมันรู้แล้วรู้รอดไปไม่ได้ไปไหนมาทําบุญด้วยกันได้นี่อัตมาก็เคยปลอบใจโยมทรงนี่เหมือนกันตัดขาดออกมาเนี่ยโยมก็ข่มใจหลูกหลานก็ข่มใจ เออแล้วก็ปกติปกติอย่างนี้นะเราตัดกันมาเพราะอยู่ไปมันก็เท่านั้นแหละใช่ไหมละ่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นหน้ากันบ่ายก็เห็นหน้ากันเย็นก็เห็นหน้ากันกลางคืนก็เห็นหน้ากันขี่หูขี่ตาขี่ฟันก็เม้นใส่กันอยู่นั่นแหละดีไมด่ดีทะเลาะกันซะอีกอืมเป็นอย่างนั้นแหละก็ถ้าอย่างนี้เราได้ทาบุญ ในบ้านปลายชีวิตนี่โยมโยมทั้งหลายไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายมาทําความดีให้มันถึงที่สุดแห่งชีวิตทําไมเดี๋ยวมันก็ตายไปไม่มีอะไรที่ดีที่สุดที่เท่าที่เรามาบําเพ็ญบุญบารมีมาปฏิบัติพรหมจรรย์ไม่มีไม่มีอะไรมาเท่านี้หรอกถ้าอย่างนี้แล้วมันไปตรงบุญมันไปตรงไปแต่สุขไม่ไปทุกข์แล้วจนกระทั่งพ้นทุกข์เอาแล้วเมื่อกี้ล้วตรงไหนว่า เป็นสุขแล้วทำไมว่าคนทุกข์ไอ้ทุกการเวียนว่ายตายเกิดมันยังมีอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะเราอย่างโง่นะบางคนห่วงลูกหวงล้านห่วงสามีนี่พูดไปก็ไม่รู้มีหนุ่มๆสาวๆเขาวหวงกันบ้างหรือเปล่าก็อย่าห่วงกันแล้วกันนะเอออย่าห่วงกันแล้วกันนี่มีรู้ว่าจันาาย์สีเมื่อไรคุณระเบียบจะปล่อยมานะอเอ อ, เ อ, อ ปล่อยมาสักทีก็ดีอแต่ว่ารอยโยมพี่สําไรน์เนี่ย่อรอโยมพี่สําไรน์รรเนียนั่นแหละกว่าจะได้ปล่อยออกมาจะขอบคุณเนะจนงอกแล้วยังไม่ปล่อยเลยนั่นแหละพวกเราเองเนั่นน่ะนี่พูดกล้าพูดเพราะพวกกันเองเนอืยอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเออเพราะอะไรปัญญาไม่พอทั้งหมดเนี่ยปัญญาไม่พอ ถ้าปัญญาพอโอ้ยมันเหลือเท่านี้แล้วดีที่สุดในชีวิตมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นที่ไม่ปัญญาไม่ค่อยพอนะทำหนังสือธรรมปฏิบัติหน่อยถวายหนังสือหน่อยปัญญามันจะได้เกิดมากๆอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็จะฝอบทําแล้วมันชื่นอกชื่นใจนะพอปัญญามันมีมันสงบมันชื่นอกชื่นใจนะถึงมันจะอยู่คนละโลกเอา้าโลกคารวาสกัโลกพระแต่ได้ทาบุญประเสริฐ ชี้ทานกันเชียวอย่างนี้นะโยมนะเออได้ชี้กันโยมก็ได้มีความรู้เพิ่มถ้าล้องไม่บวชรับรองเลยโยมไม่ได้รู้หรอกไม่รู้หรอกไปยังเก่งก็ไปทาบุญใส่บาตรแค่เท่านี้ น, นึกว่าดีที่สุดแล้วมันก็ดีแต่ว่ามันดีเท่านี้ความดีเรามันต้องถกกำปั้นเหมนขึ้นไปเรื่อยๆอุปมาอุปไมยต้องอย่างนั้นเพราะว่าลุงท้ายมันตายในนี้อะไร เราสร้างถ้ามันบำเพ็ญบารมีมันจะได้ก้าวหน้าไปมันสุดรล้วเลีวล้วเถึงมรรคผลนิพพานนี่กําลังพูดอย่างนี้นี่เหมือนอย่างบางท่านพอปฏิบัติบุญบารมีเต็มเอาเลยเห็นเห็นดวงเห็นกายเห็นธรรมกายบางคนเห็นธรรมกายแต่ยังไม่ปล่อยเห็นเห็นหายหายใประเภทนี้ยังไม่ใช่ธรรมกายแท้ธรรมกายแท่ต้องปล่อยต้องปล่อยกิเลส ต, ต้องเบาบางมานะทิฏฐิต้องลดอุปท า, านต้องเบานั่นธรรมกายแท้เป็นอย่างนั้นนะ ถ้ายังไม่แท้ก็ยังติดติดคัดคั ด, คดอยู่ก็คัดเกลากันไปนะที่พูดมานี่ความจริงจะพูดเรื่องธรรมทานไงมันออกมาอย่างนี้ก็ไม่รู้นะก็ให้โยมได้ยินได้ฟังไปก็แล้วกันเรียกว่าคุยกันธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าคุยกันธรรมดาไม่ได้เจตนาจะสอนธรรมะนะแต่ก็พูดพูดไปถ้ามันใช่ก็เอาไปก่็แล้วกันเพราะฉะนั้นกําลังพูดเรื่องว่าระบบบัญชีระบบการเงินของเราไม่มีใครรู้เท่าอัตมา อาตมาได้ทำมากได้วางแนวแบบแผนเอาไว้เต็มที่เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าดีที่สุดเท่าที่ทำได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ดดไดแต่ว่านั่นแหละมันอาจจะมีการพลาดพลั้งมันอาจจะมีอะไรช่องโหว่ช่องอะไรอีกที่อาตมาไม่เห็นมันอาจจะมีไม่ได้รับรองรอยเปอร์เซนต์ว่าไม่มีเล็ดลอดแต่ว่าไม่รู้แหละเท่าทิดทาเดี๋ยวนี้นะพยายามดีที่สุด แต่ถ้าเผื่อมันจะมีอะไรเล็ดลอดแต่โยมเห็นนะโยมบอกเนี่ยบอกเลยจะได้จัดการตรวจดูที่พูดในเพื่อให้โยมเข้าใจและจะได้มั่นใจพอสมควรว่าอาตมาไม่ได้เป็นคนละเว้นจิตนี้ไม่ได้ละเว้นเพราะอะไรเพราะถ้าปล่อยเลเอะเทอะเงินการเงินเลเอะเทอะอาตมาก็าบาปด้วยมีอยู่ในพระไตรปิฎกว่าพระเถระหรือเจาวว้าวา ทำให้ัยทานของทายกพ ย, ยิกาตกไปจะมีผลเหมือนถูกลากไปสู่นรกเดือดร้อนอย่างนั้นเขาท่านว่าเหมือนก็เป็นนั่นแหละมันเดือดร้อนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาก็กลัวอย่างนี้เหมือนกันก็ทำดีที่สุดก็เลยเล่าให้ฟังว่าไม่ต้องห่วงนะแต่ถ้ามันเกิดมีที่โยมรู้โยมเห็นบอกมา อาตมาจะได้ไปอุดรูตรงนั้นไปตรวจให้มันแน่ปัญหาอะไรมีที่ไหนอย่างไรอาตมาตรวจหมดนะอย่าสงสัยได้ยินข่าวอะไรมาจากไหนล่ะอาตมาไปตรวจทั้งนั้นแต่ไม่บอกให้ใครรู้เพราะขี้เกียจใช่ไหมล่ะจะต้องไปบอกให้ใครอะไรหนักหนาตัวเองทำทั้งนั้นนะอาตมาไม่ป ล, ล่อยหรอกแต่ว่าระบบของเราที่ทำขณะนี้อาตมากล้าพูดกล้าคุยว่า เป็นระบบที่ดีเต็มที่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ท่านทำไปก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ได้บุญได้กุศลเต็มไม่ต้องไปเป็นห่วงเป็นใ ย, ย, เ, นยเราทำไม่ได้ไปไหนเอามาอย่างนี้แหละไม่ได้เอาไปไหนก็นในเมื่อตัวเองอัตมาเนี่ยยังทุ่มไปใครถวายปัจจัยมา ทำให้ใช่จำเพาะเจาะจงญาติโยมเขาบ้างไอ้นี่หลวงพ่อหลวงพี่หลวงอะไรเขาให้พิเศษเนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวนะถ้าเขาไม่ใช่ว่าอย่างงี้นะถ้ามารุ่นรุ่นมาเป็นแล้วก็ส่วนมากมันก็จะมาอย่างนั้นน่ะลงกองกลางหมดวัดนี้ลงกองกลางหมดพระวัดนี้จึงไม่ได้รวยนะคนเขาคิดว่าพระวัดนี้รวยไม่รวยหรอกจนแต่ว่าวัดนี้เลี้ยงพระถ้าพระดีเราเลี้ยงเลยถึงไหนถึงกันถ้าอย่างนี้แล้วก็จริง อย่างนี้เป็นต้นเราทํามาตรฐานอย่างนี้นี่ก็เลยเล่าให้กันฟังเป็นเรื่องอะไรเดียะประเทืองปัญญาเนะีเป็นเรื่องประเทืองปัญญาดีกว่าอยู่ปเปล่าๆทีนี้เดี๋ยวโยมจะบอกว่าดึกไปแล้วหลวงพ่อพูดยาวอีกแล้วมันเพิ่งมีแรงถ้าวัานธรรมะนี่ธรรมนไม่ได้ทําให้ดีให้ต่อถาตุทำต่อกายให้ดีแล้วเนี่ยบางทีมันเหนื่อยมันเหนื่อยภาคมานเขตัดเหนื่อย แต่ถ้าว่าเออนั่งธรรมะดีแล้วเออมันมีแรงขึ้นมาละแต่มีแรงขึ้นมาแล้วก็คุยมากอีกละอย่างเนี้นะโยมนะวันนี้เป็นกันเองนะ่ยคุยอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เองอัตมาก็ปกติก็เป็นอย่างนี้แหละนะแต่ก็มีหงุดหงิดบ้างนิดหน่อยบางทีก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่พูดมากนี่ตอนนี้มันมีกำลังขึ้นแล้วที่สัตวชนรับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นธรรมะสบายสบา ย, บายจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยัมังคโล ที่รายการธรรมะส่สันตินำมาฝากท่านสาธุชนและช่วงเวลาที่เหลือต่อไปนี้ขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจรักษาศีลและปฏิบัติภาวนาธรรมสักครู่ก่อนที่จะจากกันจะให้ประเดชว่าคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระวีระขนุตโมรองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระวัดปากน้าภาสีเจริญ นำญาติโยมสาธุชนปฏิบัติภาวนาธรรมจึงขอเชิญท่านสาธุชนตั้งใจปฏิบัติโดยพร้อมกันเมื่อท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลเพื่อให้กายวาจาสงบและบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจชำระจิตใจให้สะอาดด้วยการเจริญภาวนาธรรมต่อไปการเจริญภาวนาธรรมนี้แบ่งออกเป็นสองขั้นคือสมถะกับวิปัสสนา หรือที่เรียกว่าสมาธิกับปัญญานั่นเองสมถะหรือสมาธิเพื่อทำใจให้หยุดให้นิ่งเมื่อใจหยุดใจนิ่งนิวรณุปกิเลสอันได้แก่กามฉันทะทยาบาททีนมิทะอุทัจจุกกุจจและวิจิติจฉาก็หมดไปใจก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ควรแก่งานวิปัสนาให้เกิดวิชาและปัญญา รู้แจ้งในสัจธรรมสามารถกำจัดวิชาอันเป็นมูลรากฝ่ายเกิดถตือรากเงาแห่งตันหาอุปาทานและทุกให้หมดสิ้นไปนี้เป็นทางมรรสนิพานอันเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาวิธีปฏิบัติเบื้องต้นก็ต้องวางภารกิจทางกายให้หมดเสียก่อน แล้วก็นั่งขัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายให้นิ้วชี้ขวาเจรดกับหัวแม่มือซ้ายพอดีตั้งกายให้ตรงสูตรลมหายใจยาวยแล้วปล่อยกายตามสบายอย่ากเกรง็งเพราะจะทำให้เมื่อยเร็วเมื่อกายพร้อมแล้วก็ตั้งใจวางภารกิจทางใจเสียทั้งหมด อีกเหมือนกันโดยตั้งจิตอธิษฐานลงไปที่ศูนย์กลางกายว่ามะบัดนี้เราจะตั้งใจเจริญภาวนาธรรมอย่างเต็มที่เพื่อความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัณหาอุปาทานและเพื่อมรรคผลนิพพานจะขอเสียสละเวลาเพียงชั่วครู่นี้เพื่อปฏิบัติจิตอันมีค่าสูงที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบๆอบตัวเรา ไม่ว่าจะร้ายแรงเพียงใดเราก็จะไม่สนใจวันไหวหรือยินดียินร้ายใดๆทั้งสิ้นจะยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อพระธรรมอันวิเศษสุดนี้ทีเดียวเมื่อวางภารกิจทางกายวาจาและใจได้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อไปที่ศูนย์กลางกายอีกน้อมรำลึกถึงคนพระพุทธพระธรรมพระสง คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์คุณบิดามันดาและบุญบารมีทั้งหลายที่เด็กเคยสร้างสมอบรมมาให้มาช่วยประครับประคองใจให้หยุดให้นิ่งและเกิดปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมด้วยขอให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองสัมภะพยันตรายอย่าได้มากล้ากรายขัดขวางการเจริญธรรมภาวนาของเรา เมื่อตั้งใจมั่นคงดีแล้วก็ค่ อ, คอยๆหลับตาลงเบาๆและกำหนดบริกรรมนิมิตและบริกรรภาวนาคู่กันบริกรรมนิมิตให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงแก้วกลมใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขนแมวโตวเท่าแก้วตาคืนนึกให้เห็นด้วยใจยิงกาหนดเครื่องที่ปากช่องจมูกซ้ายชายกาหนดที่ปากช่องจมูกขวาใจของเราที่ยืดใส่ยืดมา แวดไปแวดมาให้เข้าไปอยู่เสียที่ในบริกรรมนิมิตที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาดวงโตเท่าแก้วตาจุดศูนย์กลางข้างในโตธรรมเล็ดพุทธรักษาสายสะอาดเหมือนกระจกสองเงาหน้าแล้วให้บริกรรมภาวนาคือท่องในใจเพื่อประคองบริกรรมนิมิตนั้นไว้ว่าสัมมาอรหังสัมมาหังสัมมาหังสามครั้งพร้อมได้ตรึกนึกถึงดวงที่ใส ใจอยู่ในกลางดวงที่ใสนิฐานที่หนึ่งเมื่อเห็นเครื่องหมายสายสว่างชัดดีพอสมควรแล้วก็ ค, ค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นไปอยู่ที่หัวตาด้านในนิฐานที่สองเหยงให้เลื่อนไปอยู่ทางหัวตาข้างซ้ายชายข้างขวาและบริกรรมภาวนาประคองนิมิตนั้นไว้ว่าสัมมาอะระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสมมามครั้ง แล้วจึงค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นช้าๆไปหยุดที่กึงกลางกัคทิสะข้างในนีฐานที่สามพร้อมใ บ, บริกรรมภาวนาวสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกํ า, มม า, า ก, กับไว้สามครั้งทีนี้จงหลับตาไปข้างหลังเหมือนคนกำลังชักจะตายอย่างนั้นแหละในขณะหลับตาอยู่ก็ช้อนสายตาขึ้นข้างบนโดยไม่ต้องแงนหน้าขึ้นตามพอตาค้างแน่นอยู่ ความเห็นก็จะกลับไปข้างหลังแล้วก็ให้ความเห็นนั่นกลับเข้าข้างในพร้อมๆกับค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นลงไปตรงๆช้าๆไปหยดอยู่ที่เพดานปากนิฐานทิศสี่และบริกรรมภาวนาต่อไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามกลงเจึงค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายสายสว่างนั้นลงไปหยดอยู่ที่ปากช่องลำคอเหนือลูกกระเดือก นี่ฐานที่ห้าตั้งเครื่องหมายไว้นิ่งอยู่ที่ปากช่องลำคอนั่นแหละพร้อมด้วยบริการภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอาระหังสัมมาอารหังแบบเดิมอีกแล้วค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นลงไปตรงตรงช้ชาๆตามเส้นทางลมให้ใจ่ายเข้าออกเหมือนกับเรากลืนดวงแก้วลงไปในท้องอย่างนั้นแหละลงไปหยุดนิ่งอยู่ตรงสุดลมให้ใจ่ายเข้าออก ตรงระดับเสดยพอดีนิฐานที่หกและบริกรรมภาวนาประครองเครื่องหมายไว้เรื่อยจนเห็นเป็นดวงกลมใสชัดขึ้นแล้วจึงค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นขยับสูงขึ้นมาตรงๆไม่หยุดอยู่ณนศะูนย์กลางกายเนื้อระดับเสดอประมาณสองนิ้วมือนิฐานที่เจ็ดที่นี้ที่นี่เป็นที่ตั้งถาวรของใจคนเรา เวลาจะเกิดจะดับจะหลับจะตื่นดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์สายบริสุทธิ์ถ้าฟองไข่แดงของไก่จะลอยขึ้นมาที่ศูนย์นี้เพราะฉะนั้นศูนย์นี้จึงสําคัญนักเกี่ยวจะเข้ามรรคผลนิพพานก็ต้องเข้าที่ศูนย์นี้เมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็จงทําใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางนี้ทีเดียวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนนอกในไม่ไปลายทางนั้นเข้ากลางของกลา ง, งกลางของกลางกลางกลา ง, ง, ลา ง, งนิ่งแน่นหนักขึ้น พอถูกส่วนเข้าเท่านั้นเห็นดวงใสแจ่มมันเกิดขึ้นเท่าดวงไข่แดงของไก่อย่างเล็กเท่าดวงดาวในอากาศอย่างโตเห็นเท่าดวงจันดวงทิศเลยทีเดียวดวงธรรมที่เห็นนี่แหละเป็นหนทางเบื้องต้นไปสู่มรรคผลนิพพานจึงเรียกว่าดวงปฐมมรรมททนีจะไปได้อย่างไรละ่ะท่านจะได้ทราบในลำดับต่อไป เมื่อเห็นดวงสแจ่มมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เลิกบริกรรมภาวนาได้ทีนี้รวมใจให้หยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางดวงนี้แหละจะเห็นที่หมายเป็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มให้วางใจหยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางนั้นเพราะถูกส่วนเข้าดวงสเดิมนั้นก็จะว่างหายไปแล้วก็จะเกิดดวงใหม่ขึ้นมาอีกสายละเอียดหนักยิ่งกว่าเกา่า ปล่อยน้อมใจหยุดนิ่งลงไปที่ศูนย์กลางดวงใหม่นั่นอีกก็จะเห็นดวงใหม่เกิดขึ้นมาอีกดําเนินไปอย่างนี้เรื่อยๆนะกลางๆกลางๆกลางๆกลางๆกลางไม่มีถอยหลังกลับพอละเอียดหนักเข้าก็จะเห็นกายละเอียดสายบริสุทธิ์ฝุดลอยขึ้นมาจากศูนย์กลางดวงนั้นเมื่อเห็นกายละเอียดฝุดขึ้นมาแล้วก็ให้รวมใจหยุดลงไปที่ศูนย์กลางกายใหม่นั่นองก็จะเห็นดวงธรรมอีกห้ดําเนินไปในแบบเดิมอีก แปลว่าเห็นดวงให้เดินดวงคือเข้ากลางของกลางกลางกลางไปเรื่อยเรื่อถ้าเห็นกายก็เดินกายคือเข้ากลางของกลางกายใหม่นั้นต่อไปอีกทีนี้ลองพิจารณาดูซิว่ากายแต่ละกายที่เห็นผลขึ้นมาหนะ้ากายอะไรต่อแต่นี้ไปก็หมันฝึกหัดอยู่เสมอมีโอกาสอํานวยและว่างจากภารกิจเองแล้วทุกเอริยาบทกได้คือทั้งในขณะยืนเดินนั่งนอนก็ได้ ทั้งๆหลนตายอยู่ก็ได้คือให้จิตเป็นเร็วขึ้นและอีกอย่างก็คือเมื่อใจเราถูกฝึกให้หยุดที่สูนย์กลางกายหนักเข้าก็ไม่ต้องไปเกาะไปยึดไปนอนไอหนีให้เกิดตันหาวปลาทานและเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเป็นการช่วยลดทบลดชาติให้น้อยลงก่อนนอนคืนนี้ก็ลงมือปฏิบัติต่ตอไปเลยคือบริกรรมภาวนาสัมมาหังสัมมาหังสัมมาหังพร้อมได้รึกนึกถึงดวงที่ใส ใจอยู่ในกลางดวงพิสายนั่นแหละ เ, เรื่อไปจนกระทั่งหลับไปเลยจิตก็จะได้ไม่ไปรุ่นวอยกับเรื่องภายนอกแล้วก็จะทำให้นอนหลับสบายเป็นสุดด้วยความสงบก่อนที่จะหยุดพักขอให้รวมใจอันได้แต่ความเห็นความจำความคิดและความรู้ให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันณนะสูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงที่สุดลมไม่ใจเข้าออกเนือระดับสะดือสองนิ้วมือ สำหรับผู้ที่ถึงธรรมกายแล้วกคอยรวมใจของทุกกายให้หยุดในหยุดโยนโซลกลางกายพระอรหันต์อ่องที่ละเอียดที่สุดแล้วล้ำลึกนึกถึงบุญมารมีที่ได้เคยสั่งสมอบรมไว้ในอดีตที่กําลังได้กระทําในปัจจุบันและที่ได้กระทําต่อไปในอ น, น, นาคตให้มารวมกันเข้าที่ศูนย์กลางกายนั้นผู้ถึงธรรมกายแล้วจะเห็นดวงบุญที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์นั้นใสละเอียดขึ้น แล้วให้ตั้งใจดิษฐานดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าข อ, อน้อมบุญบา ร, รมีที่ได้เคยสั่งสมอบรมไว้ในอดีตที่กำลังในธรรมปัจจุบันและที่จะได้ทําต่อไปในอนาคตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขออุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้แก่คุณครอูอาจารย์คุณมารดาบิดาญาตีน้อ ง, องผู้มีพระคุณและสัตว์โลก ทั้งหลายรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนมนุษย์และอมนุษย์อื่นทั้งหลายทุกถิ่นสานรรวมทั้งตัวข้าพระพุทธเจ้าเองด้วยขอให้ทำทั้งหลายเหล่านั้นได้รับบุญบา ร, รมีที่ข้าพระพุทธเจ้าได้อุทิศนี้ด้วยกายวาจาใจและขอให้ค้นจากเศษติบัติบาปสักดิ์ภัยทิบัติภัยสงครามภัยธรรมชาติ โรคาพยาธิอวิชาสิเลตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาและอุปาทานเครื่องเศรามองทั้งตองขอให้บริสุทธ์สมบูรณ์บริบูรณ์เด็ดศีนสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณศักดิ์นะไม่เบียเดเบี ย, ยทนท่านผู้อื่นไม่เบียเดเบียนตัวเองด้วยกายวาจาใจขอให้ละช่วยโดยกายวาจาใจประกอบประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจ ทำใจให้ใจ ส, สะอาดบริสุทธิ์ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติท่านคนหนึ่งผู้ใดปรารถนาเป็นพระสะพัพพโยผู้เที่ยวพระปัจเจกับุทธเจ้าพระอักสาวกพุ้เต้อุปถากพุเต้าอุปถากพระอสิติมหาสาวกโลกะติสาวกพุทธมิดาพุทธมันดาจากะกักขับรัตนเจขอบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงช่วยประครับประคองท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้สําเร็จมรรคผลนิพพาน ฝ่ายสัมมาทิฏฐแต่ส่วนเดียวสำหรับรายการธรรมะสู่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร